จนได้พบนิพพานังปรมังสุขังวิมุตตังที่ใฝ่ป ดับแล้วในไฟกิเลสประพฤติเพศพรหมจรรย์อันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์พ้นจนห่างไกลด้านจิตใจเนื้อไตรลักประจักจริง วิงสิ่งใดแม้ไวชราตะเกียกตะกายไม่เสียดายชีวาวาดหวังช่วยชาช่วยไทยให้งามสง่าชวนสิทธยาสารสิทธทั่วพาน หับซ่อน ท่านเท้ามาหาพรหมก็มีเห็นอยู่นานมาเทะบุตรเทวาธิดาก็มีจริงขอยืนคำแม้นทำดีได้ดีทุกที่วาราตรีไม่มีให้มองระ ก, กำใครทำบา ฝากดูแลแมเลนเปลี่ยนแปลงกลับไปใช้ จงจำน้องทำทันอยู่ผู้ใจอย่าเห็นผิดไปเดี๋ยวจะทุกข์ใจตลอดเวลาร้องว่าหลวงตาอยู่เหนือสมมตนานาจงมันบูชาเธอสาทุชนหลวงตามหาบัวผู้อุทิศตัวมาช่วยชาติ ท่านได้บำเพ็ญรมจนกายวาจาใจใสสะอาดจึงออกมาช่วยชาติด้วยใจอันเปี่ยมเมตตาท่านมีกรรมฐานทุดงควัดเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมะวินัยเป็นเครื่องหมายกำหนดเป็นสากจบุตรพุทธชิโนรสแห่งองค์พระสัมมาผู้หลุดผู้พ้นแล้วจากสมุทนานาจึงแผ่เมตตามาช่วยไทยหนึ่งใจที่ได้บรรลุธรรม ย่อมสูงล้ำจนเกินประเมินค่าเหนือกว่าสมบัติโอดล้านนาน า, นานในโลกล่ามหาศาลหนึ่งจิตที่ได้แสงแห่งพระนิพพานย่อมเหนือกว่าล้านแสงสุริยันศาสตร์สองไกลการให้ทานช่วยชาตินี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่การให้ทานเพื่อช่วยไทยจึงเรียกได้ว่าเป็นมหาทานใครเกิดมาแล้วยังไม่เคยทํามหาทานให้กับบ้านกับเมืองนั้นคราวนี้เป็นคราวสําคัญอย่างยิ่ง ขอท่านอย่าได้นิ่งนอนใจในการทำมหาทานทำบุญกับหลวงตามหาบัวบุญจะก่อตัวเหมือนก่อบัวที่ก่อต้นแม้อาศัยอยู่ใต้โคลนยังเงยงอกชูดอกบานหลวงตายอมออกมาช่วยชาติแต่ไม่ยอมเด็ดขาดเป็นทาสของกิเลสหลวงตายอยู่ในสมณะาเพศก็ไม่ทิ้งประเทศเหมือนตัดกิเลสทิ้งแล้วเราท่านชายหญิงควรหรือจะทิ้งประเทศได้ลงพอ เงินบุญบริจาคที่ท่านนำมาฝากถวายผ่านหลวงตานี้ทุกเวลานาทีบุญจะทวีสืบต่อชุ่มช่ำชูช่อแตกก่กอกอแนงออกหนอถ่อแทงขยายยิ่งทั้งกิ่งก้านดอกเบี้ยร้อยธนาคารไม่เท่าท ร, รมหาทานกับหลวงตามหาบัวหลวงตานั้นคือพระอรหันต์องค์เดียวในปัจจุบันที่เราท่านได้รู้เห็น บารมีบุญท่านยิ่งลำบารมีธรรมท่านช่ำเย็นแพ่กระเซ็นใสพิสุทธิ์ดุดร่มโพทองคำ